แนะนำบทอันนำบทอันนำลูกเป็นบทมักกิยะมีเก้าสิบสามองค์การเที่ความสนใจเกี่ยวกับหลักการศรัทธาการให้ความเป็นเอกภาพสารและการฟื้นคืนชีพเป็นบทหนึ่งในสามบทที่ถูกประธานลงมาอย่างต่อเนื่องและถูกจัดอันดับไว้ในคัมภีร์อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันคือบทอชุอาระอันนำลและ อาจจะกล่าวได้ว่าในบททั้งสมนี้การดำเนินเรื่องเป็นไปในทางเดียวกันบทนี้ได้กล่าวถึงคำพีอุรานซึ่งเป็นปฏิหารนันยิ่งใหญ่ของมุฮัมมัดและเป็นหลักฐานที่สมบูรณ์จนกระทั่งวันกิยามะและยังแจ้งให้ทราบว่าได้ถูกประทานลงมาจากพระผู้ทรงปรีชาญาณผู้ทรงรอบรู้บทนี้ได้กล่าวถึงเรื่องราวของบรรดานบีบางท่านโดยสรุป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 และกล่าวโดยเฉพาะถึงความโปรดปรานของโพรงที่ทรงประทานการเป็นนบีและอำนาจอันกว้างใหญ่ไพศาลและได้กล่าวถึงเรื่องของนบีสุไลมานกับบุลเกสพระราชินีแห่งเมืองสะบัดท่านนบีสุไลมานได้เอาอำนาจเป็นสื่อในการเรียกร้องไปส่วนหรท่านจะไม่ปล่อยให้นักปกครองที่กดขี่ข่มเหงหรือกษัตริย์ผู้ปฏิเสธศรัทธาเว้นแต่จะเรียกร้องไปสู่การศรัทธาต่อหรอดังเช่นเรื่องของท่านกับพระราชินีบูลเกส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 อนนคือมดเพราะอัลลอฮ์ทรงกล่าวถึงเรื่องมดซึ่งได้สั่งสอนและกล่าวเตือนพรรคพวกของมันและมันก็ได้แก้ตัวให้สุไลมานและกองทัพของเขาท่านอาบับดุลลัยมานเข้าใจรู้ภาษาของมดจึงได้ยิ้มเมื่อได้ยินคําพูดของมันและขอบคุณต่อลอที่ได้ประทานความโปรดปรานและความดีต่างๆให้แก่เขาบิสมาห ด้วยพระนามของเราผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอต่อสีนเิลเคอายาตุอัลกุรอานแะคิตาบินมุบีนต่อีนเหล่านี้คือบรรดาองค์การของอัลกุรอานเป็นคำพีอันชัดแจ้งฮุดอวับุชราลิลมุอัมมิน เป็นทางนำที่ถูกต้องและข่าวดีสำหรับผู้ศรัทธาบรรดาผู้ปฏิบัติละหมาดและบริจาค z ก, กา a t และต่อวันปรโลกพวกเขาเชื่อมัน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 จากพระผู้ทรงปริชาญผู้ทรงรอบรู้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 ได้มีเสียงเรียกขึ้นว่าผู้ที่อยู่ในไฟและผู้ที่อยู่รอบๆมันจะได้รับความจำเรินและมหาบริสุทิแด่อัลลอฮ์พระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกาอนน า, ลลาอมูซาอินนอัลลอฮุลุลฮะมโอมูซาเอ๋ยแท้จริงข้าคืออัลลอะ์ผู้ทรงเดชานุภาพ <تصفيق> وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا ر َ آ ه َ ا تَهْتَزُكَ أَنَّهَا جَانُ وَلَا ّ مُدْبِرَ وَلَا مُدْبِرَ وَلَمْ ي ُ ع َ ق ِّ ب َ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدِيَ الْمُرْسَلُونَ และจงโยนไม้เท้าของเจ้าเมื่อเขาเห็นมันเคลื่อนไหวคล้ายกับว่ามันเป็นงูเขาก็กลับหลังหันแล้วก็ไม่ให้หันกลับมาอีกโอโมซาเอ๋ยเจ้าอย่ากลัวแท้จริงบรรดาศาสนาทูตจะไม่กลัวเมื่ออยู่ต่อหน้าข้า เว้นแต่ผู้อาธรรมแล้วเขาได้เปลี่ยนมาทำความดีหลังจากที่ได้ทำความชั่วเพราะถ้าจริงข่านั้นเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอิ อ, าา อ, ลอและจงสอดมือของเจ้าเข้าไปในกระเป๋าเสื้อของเจ้ามันจะออกมาขาวปราศจากอันตรายใดๆนี่คือสองในเก้าสัญญาณที่เจ้าจะนำไปยังฟิรอุตและพวกพ้องของเขา แท้จริงเขาเป็นกลุ่มชนที่ชั่วเมื่อสัญญาณของเราได้ปรากฏชัดแจ้งแก่พวกเขาพวกเขากล่าวว่านี่คือเวทมนต์คาถาอันแจ็บแย่ <ين> และพวกเราได้ปฏิเสธมันทั้งๆ ท, ที่จิตใจของพวกเขาเชื่อมั่นมันดานั้นเจ้าจงดูเถิดว่าบ้านปลายของบิดาคนชั่วนั้นจะเป็นเช่นไรว่ละก็เจ้าตีนาดาวิดแะสุเลยมาในอิลมาว่าก็อัลฮัมดุลิลลอฮิลลัตฟัดลนะะลาคีริมิน عبادي ้ล م ุมิน และโดยแน่นอนเราได้ประทานความรู้ให้แก่ดาวูดและสุไลม์มาและเขาทั้งสองกล่าวว่าบรรดาการสรรเสริญเป็นของอัลลอฮ์ผู้ทรงโปรดปรานแก่เราเหนือวงเบาวของพรลงส่วนมากที่เป็นผู้สัตยานทั้งหลายวาวิตาสุไลมานดาวูดและกลาววาเอายุค น, นาสอุลิมนาณ طق الطيروأوتينا من كل شيء และสุัยมานเป็นทายาทของดาวูดและเขากล่าวว่าโอมนุษย์ทั้งหลายเราได้รับความรู้ภาษาของนกและเราได้รับทุกๆสิ่งแท้จริงนี่คือความโปรปานอันชัดเจนยิ่ง และไพรยพลของเขาที่เป็นยินมนุษย์และนกได้ถูกให้มาชุมนุมต่อหน้าสุลัยมารและพวกเขาถูกจัดให้เป็นรับี จงกระทั่งเมื่อพวกเขาได้มาถึงที่ทุ่งที่มีมดมากมดตัวหนึ่งได้พูดว่าโอ้พวกมดเอ๋ยพวกเจ้าจงเข้าไปในรงังของพวกเจ้าเถิด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 ม, มันหายไปไม่นานนักแล้วกลับมามันได้กล่าวว่าฉันได้ไปตรวจพบในสิ่งที่ท่านไม่รู้และฉันได้นำข่าวสารอันแน่นอนจากเมือนสบะมาอย่างทานอินนีวจิตุมร أت التملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم ฉันได้พบหญิงคนหนึ่งปกครองพวกเขาและนางมีทุกสิ่งที่นางมีบัลังอันระหัวฐานและฉันได้พบนางและกลุ่มชนของนาง สการะบูชาดวงอาทิตย์โดยไม่กราบไหว้อลลอ์และชัยตอนได้ทําให้การงานของพวกเขาเป็นของดีงามแก่พวกเขาและได้กีดกันพวกเขาออกจากแนวทางที่ถูกต้องดังนัลล้นพวกเขาจึงไม่อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องอ l l ā yasjūdū l l d d u l khabā' fī l ṣ a rd, m ā l a h f n ทำไมพวกเขาไม่กราบไหว้อัลลอฮ์ผู้นำออกมาซึ่งสิ่งได้ลับในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและสงรอบรู้สิ่งที่พวกเจ้าปิดบงังและสิ่งที่พวกเจ้าเปิดเผยอัลลอฮลอิล้อลลอฮวะรบลอิออัลล์นั้นไม่มีพระเจ้าอื่ในใด น, นอกจากพระองค์พระผู้อภิบาลแห่งบาลังอันยิ่งใหญ่ เขานาบีสุไลมานกล่าวว่าเราจะคอยดูว่าเจ้าพูดจริงหรือเจ้าอยู่ในหมู่ผู้พูดเท็จ ل ق ه ل ي ه م ث م ت و ل ع ن ه م ف ا ر م ا ذ ا ي ر ج ع و ن เจ้าจงนำสารของฉันนี่แหละส่งมันไปให้พวกเขา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 แท้จริงมันมาจากสุไลมานและแท้จริงมันเริ่มว่าด้วยพระนามของ Allah, อัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ عل و و พวกท่านอย่าเยอะยิงต่อฉันและจงมาหาฉันอย่างนอบน้อม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 "قال أتمندونني بما لفما أتاني الله خير مما أتاكم بل أت بهديتكم تفرحون" เมื่อพวกเขาได้เข้าพบซุลัยมานแล้วเขาซุลัยมานกล่าวว่าพวกท่านจะนำทรัพย์สินมากำนันแก่เรากระนั้นหรือสิ่งที่ลอส่งประทานให้แก่ฉันนั้น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 فَلَمَّا ر َ آ ه ُ م ُ س ْ ت َ ق ِ ر ًّ ع ِ ن د َ ه ُ قَالَ هَذَا مِنْ ف َ ض ْ ل ِ رَبِّي لِيَدْلُ و َ ن ِ ي َ أَشْكُرُ أَمْ أ َ ك ْ ف ُ ر ُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غ َ ن ِ ي ٌّ كَرِيمٌ. <تصفيق> ฉันจะนํามาเสนอท่านพริบตาเดียวเมื่อเขาสุเลมานเห็นมันวางมั่นคงอยู่ต่อหน้าเขาเขากล่าวว่านี่เนื่องมาจากความโปรดปานของพระผู้อภิบาลของฉันเพื่อพระองค์จะได้ส่งทดสอบฉันว่าฉันกตันยูหรือเนระคุณและผู้ใดกตันยูแท้จริงเขาก็กตันยูต่อตัวเขาเองและผู้ใดเนรคุณแท้จริงพระผู้อภิบาลของฉันนั้นส่งมั่งคัง่ง ผู้สงใจบุญ